พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18สิงหาคม2554มีชื่อเรื่องว่าแนวทางการดำเนินชีวิต วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งพวกคณะวปอได้มาวัดสู่วัดหลวงพ่อเป็นรุ่นที่เท่าไหร่หเนี่ยรุ่นห้าสิบสี่นี้หลวงพ่อทราบมาแต่ทีแรกจะทราบว่าวปอน เ, ปนเนี่ยเป็นแนวความคิดของพลเอกโซเลิกใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มในยุคสมัยนั้น หลวงพ่อที่ได้ฟังฟังก็เป็นความคิดที่ดีหลวงพ่อว่าวอร์ปอเนี่ยเพราเหตุไรเพราะว่าทุกสาขาวิชาอาชีพพวกเราเป็นรุ่นผู้ใหญ่และรุ่นบริหารคณะรุ่นบริหารเข้ามารวมตัวกันถ้าหากว่าพวกเราอยู่กระจัดกระจายทหารก็อยู่อย่างหนึ่งตำรวจก็อยู่อย่างหนึ่งที่ภาคสาอาชิการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าครูบาอาจารย์เอยู่คนละทิศทางกัน ก็คงจะเวลาจะหันหน้าเขาหากันก็คงจะละําบากแต่นี้เขามีคนในประเทศของเราที่ว่าเรียนวพ อ, อเนี่ยให้เขาว่าทุกวิชาอชีพให้มารวมกลุ่มกันให้มารวมสมัคคีกกันให้มาหันหน้าเข้าหากันเพื่อให้รู้จักกันถ้าพอต่อไปภายภาคหน้ามีอะไรเกิดขึ้นนั่นกับเพื่อนของเราร่วมของเราเรียกเข้ามาหากันแล้วก็ปรึกษาปราบลบกัน มีอะไรก็จะได้หาทางออกช่วยกันหรือใครมีความทุกข์ยากลาบากอย่างไรหรือหน้าที่การงานของพวกเราตรงไหนที่มันมีปัญหาพวกเราก็จะได้ช่วยกันคิดอันนี้หลวงพ่อว่าเป็นการรวมกลุ่มกันดีที่สุดเพราะระดับของพวกเราเนี่ยมันเป็นระดับที่เป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าเป็นบริษัทก็เป็นเจ้าของบริษัทถ้าว่าเป็นงาน หรือว่าทำการงานกับเป็นผ อ, อ, อระดับผ อ, อ, อระดับประหลัดหรือว่าประหลัดหรือว่าระดับผู้ว่าหรือว่าระดับเจ้ากรมให้แ่ว่าเป็นระดับเจ้าผดบริหารเป็นหัวหน้าในสำนักงานด้านั้ น, น, นอันนี้ถ้าว่าพวกเราต่างคนก็ต่างอยู่ไม่ได้มารวมกันหรือไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องของกันและกันต่างคนก็ต่างกระจัดกระจายกับเหมือนกับ ความรู้มันแต่กระสันสั้นเซ็นตรงพ่อว่าก็ไม่น่าจะเป็นไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองถ้าเท่าพวกเราไดมารวมกันหรือมาหันหน้าก็หากันอย่างนี้มีอะไรจะได้ปรึกษาปรรบกันเป็นรุ่นรุ่นรุ่นพี่กับรุ่นน้องแล้วก็เป็นรุ่นรุ่นกันแล้วก็อาจนรุ่นพี่ถามถึงรุ่นพี่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุ่นพี่ก็จะไปสานกันเออเป็นรุ่นของเรา หลุ้นั่นล้นนั่นมีอะไรจะได้ปรึกษาปารัรบกันหลวงพ่อว่าความฝึกแผ่นแน่นหนาหรือว่าความพร้อมเพียงสมัคคีกันก็จะเกิดขึ้นเพราะพวกเราที่จะอยู่ด้วยกันได้ต้องอาศัยพร้อมความพร้อมเพียงสมัคคีถ้าว่าแตแกแยกสมัคคีกันแล้วจะหาความสงบร้มเย็นเป็นจุกไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อเคยยกนิทานเป็นชาดกในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เห็นพระภิกษุ ในเมืองโกสัมพีที่พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาในยุคนั้นพระสงฆ์สองกลุ่มแต่แยกสมัคคีกันคือพักธรรมกระตึกและธรรมพวินัยทรนอยู่ด้วยกันก็แตกสมัคคีกันพระองค์ก็บอกว่าการแตกแยกสมัคคีกันไม่เป็นผลดีในครั้งก่อนหน้านี้น่นกกระจาบมันอยู่เป็นฝูงแย่งกันเป็นใหญ่ผลที่สุดก็แตกสมัคคีกัน ไม่ฟังหัวหน้าคือหัวหน้าสั่งว่าให้บินอกลุ่มหนึ่งก็เอา้าลูกน้องยังไม่ได้กินอาหารเลยไหนะหัวหน้าสั่งให้บินแล้วรัอแต่ลูกน้องบางตัวก็เซ่อเซ่อซาซาหัวหน้าลงจนพอแรงก็หาอยู่ห้กินพอแรงนะอลูกน้องตัวอื่นก็จะจิกยังเตะยังต่อยยังบินไล่กันเล่นอยู่แต่นีนเขาเขาจะบินขึ้นไปที่อื่นแล้วตัวเองยังไม่ได้กินอลูกน้องจากนั้นมันก็มีอีกอพอี่สุดก็ ไอ้คนลูกน้องไอ้นกทางหลายมันตัวมันที่เร็วๆมาก่อนเห็นกับผู้รองหัวหน้าเหมือนกันเออใช่หัวหน้าเนี่ยรองหัวหน้าเนี่ยพูดถูกว่ะพอลูกน้องอย่าไม่ได้กินทุกตัวหัวหน้าพาบินแล้วเนี่ยนี่แหละนกสาเหตุที่ให้นกแตกกันอีกคือหัวหน้าก็รองหัวหน้าผลที่สุดก็เลยนกสองหูนกรองหัวหน้ากับหัวหน้าก็ไปด้วยกันบินไปด้วยกันอย่างนั้แต่ไปก็ทอกเทียงกันอย่างนั้นผลที่สุดมัน ถึงวันหนึ่งเนี่ยมันนกสองตัวมันความแตกแยกสัมััตีมันถึงขีดแดงมันก็ผลที่สุดก็เลยนกสองตัวนี่แต่ว่ามันไปกินที่ไหนนะมันจะมีตาข่ายตะข่ายพวกนายผ่านพ่านนกเขาจะมีตะข่ายเนี่พอไม่กินมันมีตะข่ายใหญ่พบมันปิดนกแต่นกตะกรอหน้านี่น่ะนกหัวหน้าที่มันสั่งขึ้นบอกบินนกเป็นฝูงเป็นร้อยเป็นพัน่ะ มันจะบินขึ้นพร้อมกันมันจะเอาตาข่ายขึ้นของในพานขึ้นไปอยู่บนยอดไม้เลยเพราะมันบินพร้อมกันแต่มาคราวนี้นกแตกสมัคีกันพอไปถึงเนะี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยแย่งกันเป็นใหญ่ผลในสุดก็หัวหน้าก็เห็นตาข่ายมันปิดอีกอย่างเก่าหัวหน้าก็สั่งบินแต่พวกกลุ่มหนึ่งบอกว่าพวกเราไม่ต้องบินไอ้พวกไหนเก่งเนะ่บินน ไอ้พวกหัวหน้าก็พยายามบินบินเมื่อก็ไม่ขึ้นเพราะกำลังไม่พอพอเหนื่อยจนแล้วก็จบพอจากนั้นก็ลองหัวหน้าเอาบินไอ้พวกหัวหน้าที่มันบินเหนื่อยเอา้าเอาบินแต่สู้เจ้าพูกเก่งบินหัวน้สุก เ, เลยบินไม่ขึ้นอยู่กพอดีกับทานนกก็มาถึงพอดีกันรวบตาข่ายตีนตาข่ายมากับค้อนเขาก็มุดเลยท่าทุกไปทุกมา นกเหล่านั้นก็เลยตายทั้งหมดตายทั้งฝูงก็เลยเป็นนักนายพานก็เลยไปถอนขนลงกระทะเป็นอาหารอะไรของนายพานเป็นสินค้าของนายพานไปทั้งหมดทั้งฝูงเพราะพระไเจ้าท่านตรัสว่านี่แหละนกทั้งหลายแตกสามัคคีกันก็ทําให้จิบหายทั้งฝูงได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าแตกสามัคคีกันมีอะไรก็ต้องปรึกษาปราัรบกันหันหน้าเข้าหากันมีอะไรก็ต้องมี คนคนหนึ่งจะให้ดีทุกอย่างเป็นไปไม่ได้จะให้เลีวทุกอย่างก็คงเป็นอย่างนั้นไม่ได้อีกเหมือนกันนั้นให้พวกให้พร้อมเพียงสมัครีกันอันนี้ก็คือในธรรมบทในธรรมเอในพระสุตตันตปิฎกในชาดกจากนั้นพระองค์ตรัสว่าการผูกพยาบาทอาฆาตกันก็ไม่เป็นผลดีมันจีบหายทั้งสองข้างอีกเหมือนกันอย่าไปผูกอาฆาตกันอย่าไปพยาบาทจองเวรกันมีอะไรให้อาภัยกันดีที่สุด มีอะไรหันหน้ากว า, ากันปรึกษาปรารบกันแล้วก็ให้อภัยกันถ้าการจองเวียนกันไม่มีใครเก่งกว่ากันใช่ชาตินี้เราชนะเขาฆ่าเขาได้แต่ชาติต่อไปเขาก็ฆ่าเราฆ่ากันไปฆ่ากันมาไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับหมีกับไม้สกอเรทท่านเปรียบเทียบหมีอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในป่ามันหากินอยู่ในป่าผลนี้พอจวนสว่างมันก็นเลยเป็นหาที่นอนไปนอนอยู่ร่มไม้สะกอพอทไปนอนอยู่ กิ่งไม้สะคอนมันหล่นมันหักกิ่งไม้แห้งมันหักลงมาถูกหัวหมีหมีก็เลยมองขึ้นไปต้นไม้สะคอโอ้มันทําไมมันหล่นใส่หัวเราเอาเถอะอีกสักวันหนึ่งถ้าข้ามีโอกาสข้าจะต้องโค่นไม้สะคอนตัวนี้ให้ได้มันทําไมมีกิ่งไม้มันหล่นลงมาใส่หัวข้าเนี่ยบะกําลังจะนอนจวนฉันหวา น, นเนี่ยทีนี้ก็พอ พูดอย่างนั้นได้แลวก็เดินกลวมเตีย ม, ม, ม, มไปหานอนที่อื่นแต่นี้พอสายๆขึ้นมาพวกชาวบ้านเขาก็เลยอยากจะได้ไม้ไม้มาทำแอกรถมาทำงอนรถเขาก็เลยแบบทัะสมพระพวกเลื่อยพวกขวานพวกมีดอะไรเข้าไปในป่าพอกาไปในป่าหมีตัวนั้นเห็นเห็นคน <c oughs> อันนี้ก็คือท่านสอนเป็นชานดดกนะหมีทำไมพูดได้ไงห ม, มีก็เลยเข้าไปหาคนว่าพวกท่านทั้งหลายมาอะไร คนเขาก็บอกว่าต้องการไม้ทํางอนรถแหวกรถหมีตัวนั้นก็บอกว่าไม้อยู่ในป่านี่ข้าพเจ้าเดินอยู่ในป่ารงพงไปนี่ไม้ที่แข็งแกร่งแนวดีนั่นะคือไม้สะโพกนี่ข้าจะพาไปดูแนวคนก็เดินตามไปก็เป็นก็ไปชี้ไม้ไม้สะโพกตัวนีน้เป็นไม้ที่ตีแข็งแรงแข็งแกร่งแนว mm hmm. เขาโอ้ หมีบอกขนาดนี้มันก็ต้องไม้ดีแน่เขาก็วางเครื่องทัพะสัมภระพวกยามพวกถุงพวกสูงอาหารเิดแล้วก็เขาเอาเลื่อยเอาขวานตัดต้นไม้ตัว น, นั้นพอตัดเสร็จแล้วเขาก็มาตกแต่งมาขาให้มันพอที่จะแบกได้กลับบ้านแต่นี้ลุกขะเทวดาที่สิงอยู่ต้นไม้สะพอต้นนั้นอพอหมีไปชี้ให้นี่แหละต้นไม้ช้นนี้แหละ ลูข้เท ว, วดาที่สิงอยู่ต้นไม้ต้นนั้นนะพ่อพงษ์ทำไมหมีเนี่ย อ, อธรรมดากิ่งไม้แห้งไม่ให้หล่นตกลงดินมันจะหล่นไปที่ไหนหมีมานอนอยู่ข้างล่างมันก็หล่นตามเรื่องของมัน อ, อกิ่งไม้มันก็ต้องหล่นลงดินอันนี้มันถูกหัวมีหมีทําไมมาผูกพยาบาทอาคาดของบ้านของข้าเนี่ยลูกขะเท ว, วดาคือต้อนไม้คือเป็นบ้านของเท ว, วดาเนี่ยอันนี้เท ว, วดากดเอาเถอะถ้าข้า ได้โอกาสเมื่อไรข้าจะจัดการกับหมีตัวนี้ฮะมันจองเวรกันแล้วนะทีนเนี่ยผลที่สุดก็เลยลูกขาเทีวรากรีบผลของออกจากบ้านพักของตัวเองเขาก็เลื่อยไม้ก็โคนลงมาแต่นี่พอเขาถากไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะกลับบ้านนะตินเี่ยลูกขาเทีวราก็แปลงเป็นมนุษย์มาท่านท่านเนี่ยท่านทำอะไรเนี่ยเขาบอกว่าทำงอนรถแหวกรถเออท่านอยากจะให้มันงามไหม อยากจะให้มันสวยไหมเมื่อเสร็จแล้วโอ้ยกะอยากอยากให้มันสวยนะเออนะถ้าอยากจะให้มันสวยนะไปอมหนังหมีหุ่มนะออดําหนังดํามมมเลยสวยงามมันม่มเลยะแล้วจะทํำยังไงจะไปยากอะไรมันนอนอยู่ในหมีเนยะย่องย่อ ง, องไปขวานสับหัวมันเลยนะพอสับหัวมันเสร็จแล้วก็ลอกหนังมันก็มาพันกับนี่แหละกับแอกรถวอนรถที่ท่านถากไปนเนี่ยกลับบ้าน ไปก็เป็นหุ่มมาเลยโอ้ใช่ตอนนี้มนุษย์ก่อนเนี่ยเห็นแก่ตัวอย่าแล้วเช่มนุษย์เนีะ ย, ย่องย่องไปกับขวานสับหัวหมีเลยพอสับเสร็จแล้วก็ถลอกก้อนนังมันกับเสร็จแล้วก็พันพันใส่ไม้ในการแบกเข้าบ้านเนี่ยนิทานเรื่องนี้ชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าหากว่ามีการพยาบาทอาฆาตจองเวรกันอยู่เวรจะไม่ระงับจะไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนหมีกับไม้สะพโพเพราะนั้น เวรจะระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวรออถ้าว่าสิ่งไหนก็ตามที่มันหนักหาไปบ้างออมาพูดคุยกันหรือว่าสิ่งไหนก็ตามอย่าไปจองพยาบาทอาฆาตจองเวรมันหยวนถ้าหยวนกันได้มีน้ำใจต่อกันนหยุดซะอย่าไปจองเวรกันอันนี้แหละเวรจะระ ง, งับได้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้แก่พวกพุทธบริษัทของพระองค์พระพองค์ไม่ให้สอนให้ผูกพยาบาทอาฆาตกัน ถ้าผูกพยาบาทอาฆาตกันไม่มีที่สิ้นสุดนะอันนี้ก็คือการแนวทางของการดําเนินชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายแต่นี้ทางการดําเนินทางด้านจิตใจที่ท่านอุณโยถามเมื่อกี้เนี่ยพวกเราจะปฏิบัติอย่างไรทางทางด้านจิตใจพวกเราพงศ์หลวงพ่อเองก็ได้ฟังจากท่านผู้รู้ทางทางโลกมาท่านบอกว่า ท่านครับคนทุกวันนี้ผมเคยถามเขานะด็อกเตอร์มาจากเมืองนอกโดยมากพวกหัวนอกทั้งหลายแหละเขาจะบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดนะเขาไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดโดยมากวันตายแล้วศูนย์ตายแล้วเกิดไม่มีอะไรโดยมากเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ผ ม, มเชื่อเชื่อร้อยตังรอยแต่ผมถามเขาโดยมาก เ, เกือบเกินไะว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตคนหัวนอกนะ่ะ อันนี้ผมให้คำแนะนำสำหรับบอกท่านให้ท่านเป็นแนวเป็นข้อมูลเอาไว้เนี่ยผมได้ถามแล้วคนที่เชื่อน่ประมาณสักห้ากเปซคนที่ไม่มั่นใจอีกประมาณสักสองสามเปเซไม่รู้ว่าตายและเกิดตายและสูงอีกจุมนวนนคน ท, ที่ไม่เชื่อเลยมากกว่ามากถัง้อนนะั่ะ นี่หลวงพ่อก็เลยในเอ็ีสาของหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยเน้นหนักในเรื่องนี้ไว้อยู่เสมอว่าตายแล้วไม่สู่ตายแล้วเกิดอีกแต่นี้พวกเราท่านทั้งหลายหรือก็รักทาญาติโยมทุกหมู่เหล่าก็คงจะถามว่าท่านเอาเรื่องอะไรท่านเอาอะไรเอาเรื่องอะไรมันยืนยันหลวงพ่อก็บอกว่าให้เราศึกษาพุทธประวัติประวัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ของราดอายุยี่สิบถึงยีง่บยี่เมื่ออายุยี่สิบเก้าปีเมื่อครบยี่สิบปีแล้วท่านหนีออกไปบวชอ่าหนีออกจากเบียงวังเพราะท่านเห็นอะไรท่านจึงหนีท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายท่านบอกจะทำยังไงถ้าท่านอยู่อย่างนี้ท่านก็ต้องตายแน่เพราะว่าเหตุอะไรเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายลงมาเป็นลาดับแล้วก็ต่อไปกับ พระมารดาก็สวัรดนกพไปแล้วยังเหลือแต่พระเบียรพระบิดาต่อมาก็มาถึงเราเราก็จะต้องทิ้งสมบัติให้แก่ลูกของเราต่อไปลูกของเราก็ทิ้งสมบัติให้แก่หลานของเรามันเป็นทอดๆอย่างนี้แต่เราจะค้นคว้าศึกษาหน่อยทำไม่ทำจะรำอย่างไรเราจึงจะไม่ตายเอแต่นี้พระองค์ก็ถ้าเราอยู่ในเวียงวางอย่างนี้คงไม่มีโอกาสถึงคงจะไม่มี เวลาที่จะมาคิดในเรื่องอย่างนี้ได้เพราะว่าเรามีภารกิจธุรกิจมากไม่รู้ว่าทํามาค้าขายไม่รู้ว่ารักษาประเทศชาติไม่รู้ว่กิจกรรมในเวียงในวังไม่รู้กับเรื่องอะไรตัวมิอะไรเราคงไม่มีโอกาสที่จะคิดในเรื่องอย่างนี้ได้ดังนั้นพระองค์ได้เสด็จไปไปชมสวนอุทยานไปเห็นคนแก่คนเจ็บทุ่ตาและเห็นสมณะสมณะคือนักบวช เห็นนักบวชนั่งอยู่โคนต้นไม้นั่งสมาธิสำรวมกายนั่งนิ่งท่านเห็นแล้วเออถ้าหาว่าเราได้ออกมาปฏิบัติแล้วออกมาทำอย่างสมณะองค์นี้พระองค์นี้สมณะองค์นี้นั่งอยู่โคนต้นไม้ตามลำพังเราคงจะคิดหาทางออกได้ที่จะมองเห็นในความแก่ความเจ็บความตายของเราจะหนีออกอยังไงจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราอยู่นี้เราต้องตาย อย่างที่เราเห็นเห็นอันนี้คือความในใจของสิท ธ, ธัตถะจากนั้นพระองค์พอได้หนีออกจากเพียงวังกลางคืนเนี่ยจุดนี้ก็ผทั้งหลายพราก็บอกว่าจิตทัตถะเห็นแก่ตัวทั้งที่มีครอบมีครัวและกันนี้ออกไปอยู่ตามลำพังตัดช่องน้อยไปหาความสุขแต่ตนเองฮแต่ตามไม่จริงไม่ใช่นะ เ, นเราคิดใหม่เพราะว่าสิทธัตถนี่เหมือนกับ ถึงยังไงยังไงเราจะต้องทุกข์ยากลําบากแน่นอนอันนี้ท่านไปเสาะแสวงหาหาทางที่จะไม่มาเกิดแก่เก็บตายท่านไปหาสมบัติพูดยังไงไปหาทรัพย์สมบัติไปหาทางออกเอาจากนั้นเมื่อได้ทรัพย์สมบัติแล้วท่านจะนํามาแก่จ่ายให้แก่คณะญาติของท่านพ่อแม่ของท่านวงศาคะนาญาติของพระ อ, องคนะ์ท่านแต่ไหนท่านกล็บหนีไปอยู่ป่าทั้งหกปีไปบวชอยู่ในป่าหกปีอยู่ตาบลําบังพระมหากษัตริย์ พระเจ้าแผ่นดินไปอยู่ในป่าพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันว่าจะลำ บ, บากขนาดไหนท่นี้วันสูุดสำเร็จก็คือวันเดือนหกเพนเพราะพระองค์ได้ตัดสู้อะไรอันนี้พวกนี้พวกเราจะนั่นทำมานํามาประยุกต์ใช้สําหรับตัวของเราแหละท่านเพระองค์วันเดือนหกเพนนั้นพระอาทิตย์ยังไม่อจฉดงคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในวันนั้นพระองค์นายโสธิยะนยาญาขาผ่านมาหา ยาคาผ่านมาเขาเลยมอบให้อมอบยาคาให้แก่สิท ธ, ธะแปดกำมือนี่ยแปดกำมือพระองค์ก็ได้ยาคาจากนายโสธิยะนายโสธิยะคงจะเห็นว่าสิท ธ, ธะนั่งอยู่โคลนต้นโพนะเนี่มันคงจะเป็นรากลอยขึ้นมาจากดินนั่งไม่สะดวกเอามันคงจะเป็นไม่สะดวกกันเห็นสิท ธ, ธะนั่งอยู่ตามปาังก็กเลยมอบยาคาให้แปดกำมือพอสิท ธ, ธะท่านได้ยาคาแปดกำมือท่านก็หาหมงุง ใ น, ในต้นโพนะั่งนั่งทัดทางไหนท่านก็เกลีย์ย่าคาลงที่โคนต้นโพหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเขียย่าคาเสร็จแล้วท่า น, นก็หันพพรักหันพักหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจากนั้นท่านคือขึ้นนั่งบนญ่าขาขึ้นนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าคือกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรั่วหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นเออันนี้แหละกรรมฐานของพระพุทธเจ้านะถ้าพวกเราจะนั่งภาวนาวนอย่างที่เี่เอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราจะนั่งอยู่ตามลำพังเราจะนั่งที่ไหนเรานั่งขัดเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นำทำกายให้ตรงํำลงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารว่าหายใจเข้าหายใจออกรั่วหายใจออก จะนี้เราไม่ต้องคิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องคิดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงให้จิตขณะที่คิดๆอยู่ในอยู่ในลมหายใจเข้าออกเท่านั้นไม่ให้ขยับไปที่อื่นอยู่ที่ปลายจ ม, มูกนี่แหละคือกรรมาฐานได้เลยให้กําหนดลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยของพระองค์ใจของโค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณรัตจณะเกิดฌาน ระลึกกลัมลึกชาติโหนหลังได้ปุกเพรในวาส า, านุจติญาณระลึกชาติโหนหลังได้ชาติที่แล้วมาจากไหนอย่างที่พวกเราเดี๋ยวนี้เรามาจากไหนอแล้วระลึกย้อนหลังไปย้อนหรอเมื่อวานแลาะน้ออยู่ไหนอาทิตย์ก่อนอยู่ไหนเดือนก่อนอยู่ไหนปีก่อนอยู่ไหนเพราะพระองค์ระลึกถึงชาติก่อนชาติที่แล้วมาจากไหนพระองค์ระลึกถึงไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติถึง ละลึกชาติทวนหลังได้เพราะท่านมีญานรารัศนะคือมีเครื่องมือเครื่องมือนึกถอยหลังได้อันนี้เรียกว่าปุเพเนวาสารุจติญาณละลึกชาติทวนหลังได้ในญ า, นาณารัศนานั้นแต่พอถึงเที่ยงคืนพระองค์ก็ตั้งภาวนาไม่ลดละกําหนดดูใจพระทัยของผมจิตรวมสงบลงไปหนึ่งลึมลึกได้ชานได้ญานาัตนะเกิดขึ้นอีกกว่าจุตูปปตาตยาน การจุดติดของสรรพสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาเกิดชาตินี้มาจากชาติไหนออกจากชาตินี้จะไปที่ไหนการที่มาเกิดในชาตินี้มาด้วยกรรมอะไรมาด้วยบุญอะไรพร ะ, พระพุทธองค์ก็มองดูรู้ได้ว่าคนนี้ตาหูหนวกตาบอดเออบ้าใบเออหรือว่าไม่เป็นคงพิคงพิการเป็นคนโง่เพราะในชาติที่แล้วเนี่ยเขาทากรรมอย่างนี้กรรมอย่างนี้ เขาทํากรรมเมื่อชาติแล้วก็ทํากันอย่างนี้มาเกิดชาตินี้ก็าจึงเป็นอย่างนี้แต่คนที่เฉลียวฉลาดคนที่มีทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นมาร่ํารวยเป็นผู้มีสติปัญญาชาติแล้วเนี่ยเขาทํากรรมอย่างนี้มาเกิดชาตินี้เขาจึงเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปภายภาคหน้าเลยชาติหน้าแหะถ้าคนคนนี้ทํากรรมอย่างนี้แต่เกิดชาติหน้าเขาจะเป็นอะไรพระองค์ก็รู้อีกตั้งแต่ฉลุกแรกก็คือของมนุษย์ของเราเนี่ยกรรมคือการกระทํำ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าว่าไทยไทยกรรมทำกรรมอันไหนไม่ดีไว้กรรมนั้นจะตามสนองแต่บางคนก็บอกข้าพเจ้าเกิดมาภพนี้ชาตินี้ข้าพเจ้าทำกรรมดีตลอดแต่ผลพึงได้รับนั้นมีแต่เรื่องหายนะมีแต่เรื่องเดือดร้อนมีแต่เรื่องที่ไม่พึงปรารถนาแต่ทําไมมันเป็นอย่างนี้อันนั้น พ, พระพุทธองค์ท่านบอกว่าชาติที่แล้วเขาทํากรรมไว้ไม่ดีแต่ถึงมาชาตินี้ก็เถอะ ถึงตัวเองจะทำกรรมดีขนาดไหนก็ตามแต่ว่ากรรมไม่ดีมันจะให้ผลอย่างพระโมคคัลลานพระโมคคัลลานเกิดมาชาตินี้ เ, เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าทางด้านซ้ายเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เป็นที่ยอมรับของพระสงฆ์เป็นที่ยอมรับจัทธทยาโยมของพี่น้องประชาชนแต่ว่าถูกโยนฆ่าในที่สุดทำไมคนทั้งหลกับสนสนเท่กันนะ สับสนกันว่าทําไมพระโมคขาลาทำดีขนาดนี้ทําไมจึงถูกโจรฆ่าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพุทธองค์บอกว่าพระโมกคาลาตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทําไว้พระสงฆ์ต่างหลายก็กราบทูลว่าด้วยกรรมอันไหนพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าในอดีตพระโมคคลาฆ่าพ่อฆ่าแม่ของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงได้รับกรรมถูกถูกฆ่าโจรฆ่ามาถึงขนาดนี้ นี่แหละอันนี้ก็คือจุตูปะป า, ปาตยานของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านี้มาพูดถึงมาพูดถึงแนวแถวสายหลวงปู่มั่นพระแม่กูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านให้ทําอย่างไรนี่ยอันนี้ก็เรานํามาประยุกต์ใช้ี่ยเอพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนอย่างนั้นแต่หลวงปู่มั่นทนะ่านบอกว่าพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานคณะจตหายาจงทั้งหลายถ้าจะปฏิบัติตามศีลธรรมนั้น อันดับแรกก็คือก่อนหลับนอนให้ไหว้พระสะก่อนเพื่อ น, น้อมน้อมลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆอรหังสาวาวะโตสุปฏิปโนนโมตัสสะพุทธังธรร ม, มังสังขังสุดแท้แต่เราจะได้ไหว้มากน้อยขนาดไหนแต่พอไหว้พระจบลงแล้วให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาอะไววาตั้งใจในใจว่ะข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นจัดอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาให้สุขอย่างที่ข้าต้องการอย่างที่ข้าเจ้าปรารถนาอันนี้คือในใจของเราให้แผ่เมตตาอย่างนี้จากนั้นก็นให้นั่งสมาธินั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วให้ปนมมือปนมือไหว้ครูซะก่อนปนมือ น, ะนึกพุโทโธ ธรรมโมสังโฆพุทโทธธมโมสังโฆพุทโทธธมโมสังโฆสามจบในเมื่อไหว้ครูเสร็จแล้วเอามือลงพอมือลงแล้วให้หายใจเข้าบริกรรมหายใจออกบริกรรมโทคือถ้าว่าเรากําหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันไม่มันไม่อยู่มันพร้อมที่จะเลดลอดออกไปได้ไง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจึงบริกรรมให้สามระบบพุทโทด้วย อันนี้คือกรรมรฐานของหลวงปู่มันนะเดิท่านบอกว่าเราถ้าเรากำหนดเฉยๆมันหลุดออกง่ายเพราะนั้นเราให้บริกรรมพุโทโถพุโทโถหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถให้ทำอย่างนี้นะจากนั้นจิตของเราจะสงบพอเราจิตไม่คิดถึงไ่ในอดีตถ้ามันหลุดออกไปเราพยายามดึงกลับมาอีกให้มาอยู่คือกรรมรฐานให้ตั้งสติให้แข้มแข็งขึ้นไปอีกนี่ จากนั้นเราบริกรรมเข้าไปพุโทโธพุธโทโธใจของเราจะเข้าสู่ความสงบนะพอจิตใจของเราเข้าขู่ความสงบแล้วใจจะเย็นว่างเย็ใ จ, ใจจะมีความสุขในระดับหนึ่งพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะว่าเอออันนี้คือจิตสงบใจสงบเมันจิตมันเย็นมันผิดปกติของใจอันนี้แหละคือสมาธิถ้าจะว่าไปแล้วก็คือคณิกะนี่คือจิตสงบเพียงชั่วประเดียวประเดาคณิกะสมาธิ แต่เรามีาความพยายามมีความตั้งใจใจของเราจะรวมสงบลงเป็นเน่อันต่อไปอีกเ่าอุปจารสมาธิจิตจิตใจเราคิดเรื่องอะไรจิตใจของเราจะไม่ปุง่งไม่พุ่งไม่สานเราคิดเรื่องอะไรเรารู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้อันนี้อุปจารสมาธิจากนั้นจิตของเราเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นดูให้ดีลงไปจิตจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตเป็นอนไดสติเป็นนั้น สติเป็นอนไรจิตเป็นอนั้นอันนี้คืออัปปนาสมาธิอัปสมาธิมีอยู่สามขั้นเพียงเท่านี้คันนี้ก็ปัญจระอัปปนาสมาธิจากนั้นจิตก็ถอนขึ้นมาเพียงเท่านี้เราก็จะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะอะไรเพราะกายกับใจอาศัยกันอยู่ในร่างกายของเรามีอยู่สองคือรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมคือร่างกายส่วนนามธรรมนั่นคือใจตัวผู้รู้ ในตัวนึกคิดหรือว่าสมองก็ใช่แต่หลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องสมองเรื่องของใจเรื่องตัวผู้รู้นะมากกว่าเพราะท่านท่านตรัสว่ามโนปุกพังขมาธรรมามโนเสธามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจในหลักของพุทธศาสนานให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของร่างกายฮะเรื่องตัวนามธรรม เรื่องเป็นเรื่องที่ใหญ่มากให่เป็นหัวหน้าถ้าจะเปรียบเทียบร่างกายเหมือนกับรถส่วนจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถอันไหนสําคัญกว่ากันถ้าหาว่ารถไม่มีคนขับรถก็ไปไม่ได้ถ้าว่าคนขับเกเรนิสัยไม่ดีพอขับไปแล้วก็เหยียบคู่เหยียบคนชนด่าไปแล้วก็บีบแก้ดาใครไปเรื่อยนี่อันนี้แปลว่ารถขันนั้นก่อนนิสัยไม่ดีเพราะอะไรเพราะคนขับนิสัยไม่ดี ขับรถคันนั้นก่อรถคันนั้นก็ไม่ดีไปด้วยนนี่แหละข้อสําคัญก็คือพบต ร, รงให้ความสําคัญเรื่องโซโฟเฟอร์้างว่าโซโฟเฟอร์ดีขับรถคันนั้นก็ดีขุดคันนั้นก็ดีนิสัยดีไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่แตอนนี้พบต ร, รงในสักดาหของบริษัทแต่นาท่านให้ความสาคัญว่าในขณะที่รถมันจะเสียรถคันนี้มันต้องใช้ไปมันต้องหมดสภาพ ในเมื่อรถหมดสภาพนั้นเจ้าของรถจะทํำยังไงถ้าเจ้ารถเจ้าของรถไม่ได้สนใจหาทุนนะครับไม่ได้ต้องไม่สนใจหาเงินเพื่อเตรียมซื้อรถคันอื่นอไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลก็สู่จิตใจของตนเองไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเว่าตายแล้วศูนย์ชิดอย่างนั้นแต่แล้วเมื่อตายไปแล้วนะ่ะเ อ, อเมื่อเมื่อรูอ้ตกจากล่างนี่แล้วนะ่ะใจตรงนั้นจะไปยังไงนี่แหละ อันนี้หลักของพุทธศาสนาจันว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้กรรมชั่วอย่าทําเฉลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังอัคตังตุกตังเสยโยปัจฉาตปติทุกตังความชั่วอย่าทำเฉลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉนั้นพอให้พวกเราทุกท่านนะที่หลวงพ่อแนะนําวันนี้ก็อ้างเหตุผลยืดยาวพอสมควร Hey. อย่างที่หลักของพุทธศาสนาพ ร, ระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอันในสงแห่งการฟังธรรมผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชดัดเข้าจเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังจะได้รับความผ่องใสนี่ hey. จังหวัดฉุดตามยกปัญญา ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการกินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ยินได้ยินได้ฟังมานั้นด้วยปัญญาและก็ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วเราจะแยกแยะออกได้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกสิ่งไหนควรไม่ควรอย่างไรด้วยปัญญาของเราเรียกว่าภาวนามยะปัญญา เพราะฉะนั้นพวกเราจะมีสติปัญญาขึ้นมาได้ในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นวันนี้อาตมาภาพเร่แนะนําธรรมะตั้งแต่เริ่มต้นความพร้อมเพียงสามัคคียกเป็นชาดกเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการศึกษาจากนั้นเขาได้ยกเรื่องของจิตใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ายกพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษา ที่โขนต้นโพท่านได้ตัดสรู้อะไรนะปุ เ, ปเพเนวาสารุจติยานุตูปปาตยานอาสาวกยญาณจนท่านได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมพธิยานหรืออาสาวกยญาณจากนั้นก็ได้แนะ น, นําแนวของหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรท่านให้กําหนดภาวนาอย่างไรวิธีการพวกเราจะนําไปประพฤติปฏิบัติแล้วพวกเราจะได้รับความสุขความเย็นใจ ภาวนานเป็นสิ่งสิ่งที่จําเป็นสําคัญสําหรับพวกเราอย่างมากไม่ใช่พระธรรมทานนะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเพราะจิตธรรมะเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องนําไปประพฤติปฏิบัติถ้าพวกเรานําไปประพฤติปฏิบัติใจของเรามีหลักมีเหตุมีผลแล้วเมื่อเท่าแก่ชร า, าเราจิตใจของเราจะไม่ว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าเพราะใจมีหลักแต่ถ้าพวกเราไม่ได้ภาวนาเนี่ย นี่มันพอถึงอายุปุ่นนั่นขึ้นมาแล้วนะ่ะเค้งคว้างนะนี่พราะนั้นขอให้พวกเราศึกษาธรรมะเพื่อเป็นเครื่องจิตเหนียวทางด้านคิตใจพอถึงวันนั้นมาเอ้ยข้าเกิดมาข้าเกิดมาคนเดียวฮนะถ้าตายไปข้าก็ตายไปคนเดียวฮนะถ้าใครถ้าข้าทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็ข้าก็ต้องรับคนเดียวฮนะถ้าข้าทํากรรมดีกรรมดีก็จะนําข้าไปสู่สุขติคนเดียวฮนะ ไม่มีใครยังว่าอัตติอั ต, ตโนนาโถโกหินาโถปรโรชยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากเราอัตติตนแล่เป็นที่พึ่งของตนผุญญานีิปรโลกัจมิงปฏิฐาโหนติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าสรุปแล้วคือตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกถ้าเรานั่งสมาธิใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้ว เราจะรู้ชัดด้วยตนเองว่าร่างกายของเราเป็นอันหนึ่งใจของเราคือนมามธรรมนัเป็นอันหนึ่งเราแยกแยะได้เลยว่าร่างกายเหมือนกับรถส่วนจิตใจคือรูปตัวรู้สึกนะเหมือนกับคนกับรถมันอยู่ด้วยกันในร่างกายของเราแต่เมื่อร่างกายของเราแต่หมดสภาพโซเฟอร์รถนั้นก็ต้องหนีออกจากร่างไปตูกไปปฏิสนทิไปหาเกิดที่อื่นอีกไปจองร่างอื่นอีกถ้าเรามีเงิน เราก็จงไปจองที่ล่ำที่รวยที่จะมีความสุขแต่เราไม่มีเงินออกจากรา่างนี้แล้วก็จงไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เป็นช้างมา้าวัวควายเป็นได้ทั้งนั้นใจของเราเนี่ยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปอย่างนั้นประนันขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่หลวงพ่อได้เอาแนวธรรมะมาบอกกล่าวให้แก่คณะทายาทยโยมก็ขอให้อย่างที่ว่าสุดตะมายปัญญาจินตามายปัญญาภาวนามายปัญญาให้แยกแยะ